ตอนอาสันยีทมวันที่ส2องมิถุนายน2559 ก, ก, การาบก้านมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไมชีกัลยาณมิตรทุกคนก็นั่งสบายสบายเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะเมื่อกี้ตอนเย็นพระครูดเดินออกไปนอกที่พัก ตรงหลังที่พักนั้นเรามีต้นมะนาวอายุประมาณสิบปีนะเพราะครูดูมาสามวันแล้วละ่ะนอนผีเสื้อเขาสามคัคคีกัน <g iggle> นะเขาสะสมอาหารเขานะกินใบกินกินกินกินกินแล้วก็กลงมาบังเอิญที่บ้านเสาเนี่ยเราทำเป็นไม้เทียมเขาก็ขึ้นไปเสาแล้วก็ ไปหาที่ทําดักแด้ <c oughs> พราครูยืนชมเขานานมากเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นมากบางอย่างเขาเก่งกว่ามนุษย์เรานะเห็นไหมเขาออกจากไข่ปุ๊บเนี่ยเขาก็พึ่งตนเองแล่ะนะเขาสะสมอาหารสะสมอาหารเพื่อจะเขาจะเป็นดักแดนะ้แล้วก็เขาทําดักแด้โดยที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียน พ่อแม่เขาก็ไม่ได้มานั่งสอนไม่ต้องมานั่งเลี้ยงดูนะสัตว์หลายชนิดนะวัว น, นี่เกิดมาปุ๊บยืนเดินได้เลยล่ะเพราะเขาต้องพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เป็นสัตว์อ่อนแอซะด้วยแต่ตอนนี้แกล้งเก่งนะทำลายโลกจะไม่เหลืออะไรเ <Yeah. S 1> พราะกูเรียนรู้กับสัตว์นะเขามุ่งมั่นมากเขาทําหน้าที่เขาแต่ถ้าเรามองในมุมกลับ ศูนย์นี่เป็นปีแรกนะที่เป็นแบบนี้นะวันนั้นพระครูเดินลงไปกุดไม่เฉียงล่างเนี่ยโอ้เขาเขาหงโหนเชือกลงมาเลยตัวตัวหนอนเต็มไม่หมดเลยอันนี้พันเล็กๆนะพันตัวเล็กๆนะที่บ้านพระครูตัวใหญ่ๆมันมันไม่ใช่วิธีปกติเต็มเลย นะถ้าเกิดเขาบุกโลกเนาะเขาบอกเขาเบื่อมนุษย์มากเลยไม่มีศีลไม่มีธรรม <c oughs> นะฮะมันนับหนึ่งสองสามันขยายพันปันเดมันกินหมดเลยนะมนุษย์ไม่มีอาหารจะกินเนาะถ้ามองในมุมกลับมันเหมือนเขาเป็นตัวกรรมเนี่ยเขามาทวงหนี้พ่อคกูดูโอถ้าใครมีสวนมะนาวตอนนี้นะหมายถึงว่าเรียบร้อยหมดเลยเขาใช้เวลาไม่นานเลยสามสี่วันเนี่ยเรียบร้อยหมด แต่พอคูมองในเขาแน่ๆ น, น่ารักเขามีความรับผิดชอบมากเขาเก่งมากเขาไม่ต้องไปโรงเรียนเขารู้เลี้ยงดูตัวเองนะไม่เรื่องมากเนาะเราเปิดสองโรงเรียนเนี่ยกว่าจะเลี้ยงจนโตเนี่ยเรื่องเยอะจังเลยเนาะเดี๋ยวพวนักเรียนเนี่ยต้องส่งไปเรียนกับหนอนเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะ แต่เรื่องมากๆเนาะนอนไม่เห็นมันต้องใช้มือถือเลยเห็นไหมเห็นไหมเออมันก็มีความสุขกับการกินกินกินกินกินมันสะสมอาหารแล้วก็เป็นดักแด้มันจําศีลนะเป็นดักแด่หนึ่งอาทิตย์ไม่ต้องกินอะไรเลยเพราะมันกักมันสะสมอาหารแล้วมันเป็นสัตว์อะไรแปลกมากเรียกว่าเป็นสัตว์บกก็ได้ออกมาเป็นสัตว์เลื้อยคานพอเป็นดักแด้ปุ๊บ เป็นสัตว์ปีกบินได้เห็นไหมมนุษย์เราจริงๆเราก็ทำได้นะเราเกิดมาเป็นคนคอคนสมัยก่อนเขาเอาเอาคอละคังนะคอคนนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นคอควายไม่รู้ใครเปลี่ยนนะนะคนนี่ผสมกับควายกะหนูนะวุ่นวายไปหมดเลยยิ่งคนก็ยิ่งวุ่นวายนะแทนที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐคาว่าพรมวิหารนี่ยคือที่อยู่ของ มนุษย์ผู้ประเสริฐนะเรียกว่าพรมนะวิหารคือที่อยู่เราเกิดมาเป็นคนเป้าหมายคือพัฒนาให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเพื่อมุ่งสู่ความเป็นอริยะบุคคลแต่ตอนนี้คนเรามาบ่งเพราะไปเรียนหนังสือให้กลายเป็นอะไรเป็นนักหนักไปทางใดทางหนึ่งเห็นไหมภาษาเหนือนี่นักไปว่าหนักนะนักการเมืองนักการค้านักธุรกิจ นักกฎหมายนักนักนักักเ ก, ก, ก่งไปเรื่อยเรื่องเดียวแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็โผล่เรื่องนี้นะหนักหมดเลยแบกหัวโขนแล้วก็แบกอัตตาบังเอิญวันนี้มีสองคำถามเนาะก็คำถามแรกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกครูแสดงเรื่องพระลาหุน ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนพระลาหุนบ่อยๆว่าเธออยากกลับมาสู่โลกนี้อีกจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกและอินสี่ห้าจงมีสติไปแล้วในกายจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายอาทิตย์ที่แล้วพ่อครูก็บรร ญ, ญายแล้วนะมีพ่อคนไหนเนี่ยบอกให้ลวูกว่าอย่า ก, กลับมาโลกอีกนะฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอ เธออยากกลับมาสู่โลกนี้อีกจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกนะและอินรี่ห้าจงมีสติไปแล้วในกายและอันสุดท้ายคือจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่า <c> ย <oughs> พวกเราเนี่ยไม่ชอบความเบื่อเราชอบความสนุกสนานทีนี้คําถามเขาคือหนูอยากให้พ่อครูช่วยขยายความเรื่องปาติโมกว่าเป็นอย่างไร และอินรียห้าเป็นอย่างไรและจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายแล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรช่วยขยายความด้วยค่ะเพราะความเบื่อหน่ายมันคือความทุกข์อยู่แล้ว <c oughs> คือโอวาทปาติโมกเนี่ยมันเป็นโอวาทคือคาสอนพุทธเจ้าพระองค์ประทานให้แก่พระสาวกสำหรับไปประกาศศาสนานะถือเป็นหลักการใหญ่ คิดว่าเป็นแก่นพุทธศาสนาก็ได้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับถือเป็นหลักหลักการปฏิบัติในแนวเดียวกันนี่เป็นปาฏิโมกข์เดียวที่บอกให้สาวกทุกคนทำเหมือนกันนะหลักมันมีอยู่แค่นี้นะส่วนข้อปีกยก่อยนั้นมันเป็นนานาจิตตังมันเป็นเรื่องของเจริ แต่ตอนนี้เรามาทะเลาะ ก, กันเรื่องปีกย่อยเธอผิดกฎไม้ฉันผิดโน่นผิดนี่แล้วก็ทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองหลักการของพุทธศาสนามีอยู่แค่นี้ทีนี้เป็นเป็นหลักปฏิบัติในแนวเทียงเกันคือมีสามข้อหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงนะหมายถึงเว้นจากทุจริตคือประพฤติ ช, ชั่วด้วยกายวาจาใจ อันนี้ก็คือละชัว่วนั่นแหละสองยังกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงประกอบสุดจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจอันนี้คือทำดีสามทำใจของตนให้ผ่องใสหมายถึงทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคโกรธหลงเป็นต้นสรุปสั้นๆคือ ทานศีลภาวนานการทำดีคือการให้ทานบางทีเราสอนลูกลูกเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะก็แค่อย่าทำชั่วให้พ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองเราไม่เคยพาลูกไปทำดีเลยทำดีคือให้ได้อาภัยได้นะคือการให้ทานคือสลัดความโลภความตณีออกอุยเรื่องไรสลัดออกแค่นี้ฉันก็ยังไม่พอมีแต่สอนให้ลูกโลภมาก ต้องชนะถึงจะดีเราสอนลูกแบบนี้ไงเป็นคนดีของเราคือในย่คือว่าอย่าไปทำอะไรที่ให้พ่อแม่เดือดร้อนเราไม่เคยสอนให้ลูกนี่พาลูกไปทำความดีเลยนะทำความดีก็คือการให้ทานส่วนศีลเนี่ยคือการละชั่วนะเป็นเครื่องมือเตือนสติเราไม่ให้ทำความชั่วนะ ภาวนาคือขัดเกลีจิตให้ผ่องใสสะดวกง่ายๆโดยการเจริญสัมมาทิปัสนาะกรรมฐานไอ้ที่เป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราก็เข้าขัดเกลีไม่ได้แต่ตอนนี้เราปฏิบัติทำไปที่ไหนก็เหมือนกันบอกไปฝึกสมาธิไปเจริญสติไม่ได้ขัดเกลีจิตให้ผ่องใสเลยเหมือนเราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราไปวิ่งอยู่สวนลุมตอนเชา้าวิ่งวิ่งวิ่ ง, งเพราะเราอยากเป็นทีมชาติ เราต้องการความแข็งแรงใช่ไหแล้วก็เอาความแข็งแรงตอนนั้นนะ่ะไปเบียดเบียนคนอื่นการชนะเราได้มาซึ่งทำให้คนอื่นแพ้ถ้าในทางธรรมะแล้วเนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคือเอาความแข็งแรงเราไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อเราจะได้ชนะนี่คือเป็นโลกิยะธรรมนั่นะนะเหมือนเราจเจริญสติเหมือนกันเราฝึกสติฝึกสติ และเอาสติไปด่ากันนะช่วงหลายปีก่อนเมืองไทยที่กรุงเทพเนี่ยนะฝรั่งเขาเรียกว่า b บ n กอ o โคลเลอร์เกมนะคือกีฬาสีที่กรุงเทพนะมีกีฬาสีเหลืองสีแดงฉันด่าเธอเธอด่าฉันนะกีฬาสีนะที่ศูนย์เนี่ยมีมีมีทุกสีเลยนะพอกมูมมาที่ศูนย์อย่าพูดเรื่องสีถามว่าสีนี้ไปด่าสีนะั้นมันเป็นขมเรหรือเปล่า มันเป็นคนไทยสีนั้นด่าสีนั้นเป็นลาวหรือเปล่า ก, ก็เป็นคนไทยเราลักประเทศชาติเราไปด่าคนไทยอันนี้ปากว่าตาขยิบยุ่งกันไปหมดเลยนะเนี่ยคำสอนพระเจ้าสั้นๆนะอันนี้คือปฏิโมกนะที่ถามพราขูเนาะโอวาทาปฏิโมกทีนี้วิธีเจริญภาวนาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงสอนพระลาหุนนะ ว่าด้วยการพิจารณาอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหวิญญาณหกสัมผัสหกเวทนาหกสัญญาหกสัญเจตนาหตัณหาหกท่าทหกและขันห้าโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเรื่องนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันอารมณ์ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลาย อารมณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เ, ดดบเมื่อเราสัมผัสอารมณ์นั้นบ่อยๆจิตปัจจุบันก็ยอมรับโดยดุษฎีว่าเออทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังนัสตามันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วนี่เราจะทุกข์ได้อย่างไรอะอันนี้ก็ลูกท่านอันนี้ก็แฟนชั้นอันนี้ภรรยาชั้นอันนี้สามีชั้นอันนี้บ้านชั้นพ่อถูก ไฟไหม้บ้านหรือเขาแย่งชั้นของชั้นไปชั้นก็เลยทุกงเพราะเราไม่เข้าใจความจริงว่ามันไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป้าหมายคือพิจารณาลายกระช่างเพื่อให้เราเข้าถึงกดพระไตรลักษณ์นะเมื่อเบื่อหน่ายในขันห้าย่อมคลายกาหนับเมื่อคลายกาหนัดจิตย่อมหลุดพ้น ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วนะความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นคือผลของการเจริญวิปัสนาที่พอกูพูดบ่อยๆมันคือนิพพานลมใครเกิดทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยนิพพานอยู่ใกล้ๆถ้าเราหนีความเบื่อหน่ายไปกบเกินควาขบ่ันายหรือห น, นีไปเที่ยวไปกินเหล้าไปเที่ยวเต่หาความสุกสนานกบเกินความเบื่อ น, นั้นน่ะเราก็ไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรม นะความเบื่อหน่ายเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์ทำให้เราจางคายความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้นั่นแหะคือผลของเจริญวิปัสนาอันนี้ก็ตอบคำถามเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะทำไมผู้เจ้าอวยพรให้พระลาหุนเนี่ยจงมากไปด้วยความเบื่อหน่ายพ่อแม่คนไหนจะสอนให้ลูกเออสนุกนะลูกเบิกบานนะต้องการเห็นลูกมีความสุขเราลักยุคลูกจริงเหรอหรือเระวางแผน ทำให้ลูกทุกเห็นไมคำสอนผู้เจ้าสอนกับพระลาหุนกับพวกเราผู้ครองเดือนสอนลูกในคนละเรื่องเลยนะเห็นหบางคนสอนลูกว่าเออแม่รักลูกลูกรักแม่นะเออเกิดชาติหน้าเราไปเกิดด้วยกันอีกนะกอดคอกันไปเกิดอีกผู้เจ้าบอกว่าจงอย่ากลับมาในโลกใบนี้อี ก, พกเพราะครูต้องพูดความจริงนะพเพราะครูสนองกิเลสตัณหาใครก็ไม่ได้ ถ้าเราพูดเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยผู้เจ้าสอนอย่างเดียวเท่านั้นคือพ้นทุกข์นะก็ส่วนอินรีหานั้นน่ก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาคือพิจารณาทำให้มากขึ้นพระห้าคือเจริญทำให้กำลังของอินรีมากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือต้านทานกิเลส เราปฏิบัติมาระดับหนึ่งเราก็มีอินทรีย์พระละเราก็มีศรัทธาครูบาอาจารย์มีถ้าไม่ศรัทธาพระครูก็ไม่มาที่นี่ไงเมื่อเรามีศรัทธาเราก็วิริยะก็ระดับหนึ่งสติสมาธิปัญญามีอยู่แล้วมันก็แสดงตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มุ่งมั่นปฏิบัติเนี่ยสมมติว่าอินทรีย์เรามีมี50ซนพอไปเจอไอ้ลูกกรรมลูกตัวๆมา8ปเด้งเลย ศรัทธาที่มีอยู่หายไปเลยนะเคยพูดให้ฟังนะหลายปีก่อนก็กลุ่มคุณหมออีกมาจากพุกนาหารนะลูกชายเพิ่งจบมาหาลัยจุฬาเนี่ยนะจบปุ๊บมาฝาก พ, าพ่อครูเดยอาทิตย์หนึ่งเอยชื่อก็ได้อันนี้เป็นไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะพูดมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะเป็นการให้วิทยาทาน น้องเกมเนี่เป็นโรคหอบผืชดตั้งแต่กำเนิดคุณพ่อก็เป็นคุณหมอเด็กหมอเด็กเลยนะฉีดพ่นยามา20สกว่าปีนะพอจะเกิดอาการปุ๊บก็ฉีดพ่นยาจบปุ๊บก็เอามาฝากพวกครูไว้อาทิตย์หนึ่งนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับไปวันสุดท้ายมารับน้องเกมก็ปฏิบัติในสารามันเกิดอาการลมชักในกรรมฐาน คุณหมอก็เอาหายามาฉีดพ่นนะคุณตู่คุณแม่เดินไปเดินมาทุกมากพราะครูก็นั่งอยู่ที่ครัวเด็กมันก็ไปวิ่งบอกเนี่ยเกมไปอย่างนี้พราครูถามว่าพระแขอยู่ที่นู้นไหมอยู่ไปบอกพระแขบอกให้เกมตายเลยนะตายเลยนะพราะครูคิดได้ว่าเดี๋ยวเกมจะไม่ตายเดี๋ยวพ่อแม่ตายก่อนพราะครูก็รีบวิ่งมาสารานะเกมอยู่กับเราอาทิตย์หนึ่งเขาจํา เสียงพ่อคูได้พ่อคูบอก mm hmm. เกม mm hmm. ตายเลยลูกตายเลยอ ย, ย่าอยู่เลยมันทรมานนะวินาทีนั้นเกมเขายอมตายเขาก็ล้มลงไปนอนลงไปนิ่งพักหนึ่งนะคุณตู่ขาสั่นเดินมามาพูดให้พ่อกรูฟังว่าออพ่อคูเป็นใครรู้จักมาไม่นานเอาเอาลูกเรามาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาช่วมาเสี่ยงไปคุณตู่เองก็เป็นโรคกระเพาะ ปฏิบัติแล้วหายไงคุณหมอโลกกระดูกปวดหลังจิตมันรักษาก็าหายไงก็ศรัทธาไงก็าพาลูกมาปฏิบัติแต่ตอนนั้นความรักซึ่งแม่มีต่อลูกเนี่ยโอโ้โหน่ามืดตาหมัมวาหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะทีนี้เกมเขาลุกขึ้นมาเขาเดินมาคุณแม่ถามว่าเกมเป็นไงเขาบอกสบายสบายครับแม่จะปฏิบัติยังไม่ลูกปฏิบัติสิ แกเล่าพ่กกูฟังเมื่อกี้กนี่แกจะขาดใจตายนะพ่อครูเป็นใครเอาชีวิตลูกมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะจากวันนั้นถึงวันนี้สิบกว่าปีน้องเกมไม่เคยมีอาการหอบเพื่ออีกเลยมันจ่ายหนี้กรรมทางบางโลกนี่มันเกิดกับกระแสกรรมเราต้องจ่ายหนี้กรรมทางจิตบางโลกต้องจ่ายด้วยชีวิตเราไปเอาชีวิตเขาชีวิตหนึ่งเราต้องจ่ายแลกด้วยชีวิต เมื่อเราตายในกรรมาฐานแล้วเราจ่ายแล้วแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาตั้งมั่นเนี่เรากล้าไม่กล้าตายไหมใครๆก็ไม่กล้าเห็นไหมพวกเราหนีหนี่ตลอดพอทุกหนหนึ่งนี่ไปแล้วโทษนนโทษนี่นะแต่พวกครูไม่เคยต้องให้อภัยใครนะพวกครูเข้าใจนะความรักมันเหมือนคนตาบอดนะั่นแหละนะรักจนขาดสติยกตัวอย่างว่นที่นี่เราปฏิบัติ เราปฏิบัติละชั่วทำดีขัดกับยุท์ทุกวันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเกิดอุปัติเหตุด้นกับอัติเหตุเป็นเพราะเราปฏิบัติที่นี่มันจะเกิดเหรอพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตัดสั้นรำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังโดนเทวทัตเล่นงานพวกยังชุมประชวนไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเนี่ยอุย้ยฉันไม่มีอะไรกระทบฉันเลยถ้าเรามองในมุมกลับนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ย ยิ่งเห็นทุกยิ่งดีเหมือนเราได้จ่ายนี่แล้วไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมไงแต่ตอนนี้เนื่องจากเรามีความอยากอยู่เราไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธานะพอเจออะไรหน่อยหนึ่งปุ๊บเนี่ยลืมหมดเลยนะเนื่องจากอินรียห้าภละห้ายังไม่แข็งแรงนะก็ต้องมุ่งมั่นเดินต่อไปทําให้ศรัทธามันเต็มร้อย9กยังไม่ปลอดภัยนะ กระแสกรรมมันมาร้อยหนก็แพ้มันอีกบางคนเลือกฆ่าตัวตายเลยนะนะสองอาทิตย์ก่อนเมืองไทยมีข่าวครือโคมีด็อกเอรไม่ใช่จบมาใหม่ๆไม่มีประสบการณ์ดออรอายุ60ปีนะยิงเพื่อนดออรด้วยกันสองคนอายุห้กว่าตายแล้วตัวเองฆ่าตัวตายความรู้ทุกวันนี้มันมันรู้อย่างนี้ไงมันรู้วิชาการแต่ไม่รู้เรื่องชีวิต ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเพราะคูถามนักวิชาการบ่อยๆว่าเอานาฬิกาเนี่ยสูงสุดมันเลขไหนทุกคนตอบเลขสิบสองทุกสอนเนี่ยสูงสูงน่ยปริญญาเอกสูงที่สุดเนี่ยเลขสิบสองเพราะคูถามว่าเลขหกถึงเลขสิบสองนี่กี่นาทีสาสนาทีเลขหกถึงเลขหกนี่กี่นาทีหกสิบนาทีอันไหนมากกว่ากันสูงสุดคืนสู่สามัญเรารู้เรื่องวิชาการนั้น เราเรารอบรู้เรื่องวิชาการนั้นแต่เราไม่รู้รอบเรื่องกฎแห่งกรรมเราถึงแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้นะทีนี้ส่วนสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสมาสมถวิปัสสนากรรมฐานต้องอาศัยอายตนะ รับรู้ผัสสะเวทนาและสัญญามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสติสัมปชัญญะเพื่อให้เห็นรูปนามเกิดดับเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งกฎพระตจลักกฎพระไตลักคือลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขงังผู้เจ้าไปตัสรู้สิ่งนี้นะมันไม่เที่ยง ทุกขังคือดำลงอยู่ได้ยากนะมันเป็นของชั่วข่าวมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเรามีไม่เรามีเรามีชั่วข่าวแต่มันอยู่ได้ล้านปีไหมไม่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราด้วยไอ้ร่างกายฉันฉันเห็นคนแก่เนี่ยฉันไม่ชอบเลยเธอห้ามแก่นะเห็นคนเจ็บโอ้ยโอยโอยเธอห้ามเจ็บนะฉันก็ไม่ชอบ เห็นคนตายญาติพี่น้องร้องไห้กหมดฉันก็ไม่อยากตายเธอต้องฟังฉันนะมันฟังเราไหมมันไม่ฟังเราเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูพอมันจะตายจากเราเราก็เลยทุกข์ไงของพดมีตัวกูปุ๊บมีคนที่กูรักนะพอคนที่กูรักเนี่ยเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปหรือเขาไม่รักกูกูก็เลยทุกข์ไงทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจความจริงว่า มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ น, นี่ฟังพระครูพูดเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้แล้วก็วางไม่ลงเพราะเราติดแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติแต่การปฏิบัติอย่าค้ากำไรเกินควรนะเราสร้างกรรมมาลู้มารู้กี่แสนกับกี่ล้านชาติปฏิบัติไม่กี่ปีบอกวิทำไมยังไม่บรรลุธรรมอันนี้ค้ากำไรเกินควรทาบุญไปร้อยหนึ่งสาทุให้ถุกรวันที่หนึ่ง นะคือคือเราปฏิบัติทำแบบไม่ตั้งมั่นภาษาอังกฤษบอกไม่โทโทรี่ไม่ศรัทธาตั้งมั่นพอเจอกระทบปุ๊บเซ่เลยแล้วอ้างโน่อนอ้างนีนะ่ดีไม่ดีอ้างไปอ้างมาสร้างวัจจรกมอีกต่างหากนะส่วนมีแนวทางหนึ่งนะซึ่งใช้วิธีเจริญฌานนะคือเน้นไปที่จิตฝ่ายเดียวเข้าไปสู่นิโรธสมาบัตินะเริ่มจาก เ, เข้าไปนิโรธสมัติมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีสัญญาใดๆหลายคนพวกเราก็มีนะพอเข้าไปปึ๊บไปติดฌานโอ้ยว่างๆ เ, เราคิดว่านั่นคือ น, นิพพานนะนะไม่มีสัญญาอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีสัญญาใดๆสภาวะนี้เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอสัญญีธรรมภาษาไทยเราบอกสัญญีสัญญา นะสัญญาสัญญาก็สัญญาก็คือสัญญานั่นแหละนะเขาเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นสภาวธรรมซึ่งไม่มีสัญญาปราศจากสัญญานะคนพวกนี้ตายแล้วไปเกิดในอสัญญาภพอสัญญีภพภ พ, พซึ่งไม่มีสัญญาก็คือพรหมนะติดสุกอย่างเดียวติดสุกอย่างเดียวนะไปหลงตัวเองบรรลุธรรมนะพอไอ้กรรมดีที่สร้างมาเนะี่ย นะหมดเมื่อไหร่เกิดลงมาเป็นลูกเศรษฐีวันแรกก็แหกปากรองแล้วที่เราไปเกิดพบเป็นอัศดีแล้วก็มาเกิดใหม่เนี่ยก็เนื่องจากสัญญานี่แหละทำให้เราไปเกิดแสดงว่าเรายังมีสัญญาอยู่เราหนีสัญญาเท่านั้นเองเราไม่ยอมรับสัญญาตรงนั้นเรียกว่าอสัญดีธรรมระวังนะไอ้ตัวนี้พวกเราหลายคนอยู่กับมันมันละเอียดมากมันน่าหลงมาก เราไปเข้าใจว่ามันคือนิพพานนะพบที่ไม่มีสัญญาแต่การไปเกิดในพบที่เป็นสัญญภพบนั้นก็เนื่องด้วยสัญญาเดิมเราสัญญายังไม่หมดเป็นการหนีสัญญาเท่านั้นเองก็หลายปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาจากแถวหลังสิตคลองเท่าไหร่พ่ะกูจำไม่ได้ละเคยบวชที่วัดป่าแล้วก็ศึกไปได้ยินข่าวที่นี่ก็มาปฏิบัติ พอหลับตาปุ๊บเขาก็จับเนี่ยจับมือเนี่ยนะพ่อครูคิดได้เอ๊บิชาหลวงปู่มั่นหรือเอ๊วิชาหลวงพอ่อโตหรือเปล่าแกบอกไม่แกจับลมแกบอกเวลานั้นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเนี่ยเสียงเด็กดังแค่ไหนก็ชัานเนี่ยไม่กระทบแกแกอยู่เหนือเวทนาก็อยู่ในฌานนั่นแหละพอชั่วโมงหนึ่งเขาก็นั่งอีก พ่อครูมองไปเห็นจิตเขาเผอนิดหนึ่งนะพ่อครูตีระฆังกังเขาดิ้นเลยมันวิ่งดิ้นอาเจียนตนหลังโก่งเลยพราครูเดินไปพวว่อครัวไอ้นี้เขาเรียกว่าเวทนาคุณหนีเวทนาคุณไม่ใช่อยู่เหนือเวทนาส่วนมากเปหลงอยู่ตรงนั้นนะระวังนั่งชาแนะ่ไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีนะอย่าติดสุขในชาแนมันก็เป็นมานตัวหนึ่งในวิปัสสนานี้มีวิปัสสนากิเลสนะ เราต้องรู้ผัสสะต้องอาศัยอศยตนะไปเปิดดูหนังสือทางสายกลางสือมากตอนเะนี่ยเพราะูพูดเรื่องนี้หมดเลยนะเพราะูยังไม่เคยเห็นว่าผู้เจ้าสอนลาหูเป็นแบบนี้นะเหมือนกันอยนายตนะภายนอกหกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อยายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อภายนอกกระทบภายในอย่างเสียงมากระทบหูเนี่ยถ้าวิญญาณหูเนี่ยมันทํางานปุ๊บมันก็เกิดผัสสะขึ้นการรับรู้เสียงเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราเอายตนะเนี่ยเราเกิดมาธรรมชาติให้อายตนะเราหกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาเป็นเครื่องมือดํารงชีวิตแต่เราเอามันมาเสพอันนี้ก็เพราะเพราะนะชอบไปฟังคอนเสิร์ต นะชอบฟังดนตรีเพราะเพราะไ อ, อ น, นี้ก็อร่อยอร่อยเขาเรียกว่ารสนิยมต่างกันนั่นแหละรสนิยมนิยมรสเป็นการ ม, มาคุณห้าติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้ก็นิ่มๆชอบชอบนี่คือกามมาคุณห้าไงเราหาความสุขจากการเสพกามนะใช้เสพอายทนะ เอาหูมาฟังเพราะเพราะก็มีความสุขพอเขาด่ามาก็เลยทุกเห็นไหมพอชอบอร่อยกินไม่อร่อยปุ๊บ ก, ก็ทุกอีกเราไม่รู้เท่าทันอนยตนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันในยานะขันห้ามันก็ปรุงทุกวันนาะยกตัวอย่างเสียงเขาด่าเราคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามรูปมันเกิดมันก็ได้ยินปุ๊บมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บ ตกไปในใจเนี่ยเวทนาเกิดมันก็บันทึกสัญญาว่ามันด่าเราไปกระทบสัญญาเดิมนะเขามีสัญญาเจตนาหนะเมื่อกี้ผู้เจ้าสอนลาหุน่นนะสัญญาซึ่งเกิดจากการมีเจตนาก็บันทึกสัญญาใหม่กระทบสัญญาเดิมว่าฉันไม่ชอบถูกดา่านะสังขารเกิดปรุงแต่งแล้วว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอคืนภายในหนึ่งวินาที ขันห้าปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วด่าไปเลยเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เรารู้ทั้งรู้ว่าคนด่าคนเป็นวิจิกรรมไม่ดีมันด่าเรามันไม่ดีมันทําให้เราทุกข์รู้ทั้งรู้แต่เราทนไม่ได้เรากลัวเสียเปียกกิเลสเราไม่ยอมเราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันเราก็ด่าไปคืนเห็นไหมเรารู้จริงไหมเดินไปสุนัขเห่าเราโกรธมากไปเห่ามันตอบแล้วก็กลายเป็นสุนัขเหมือนมันเนี่ยความรู้ทุกวันนี้เราเข้าใจไม่เข้าจิต สมองรู้แต่จิตไม่รู้เรียนจนจบด็อกเตอร์แล้วคนรู้ฆ่าตัวตายทําไมไปฆ่าคนอื่นเขาทาไมคุณรู้จริงไหมเห็นไมคุณหมอหลายท่านก็มาที่นี่แหละก็วิ่งไปในป่าไปสูบบุหรี่อ้าวถามว่าคุณหมอสอนคนไข้สูบไม่บอกไม่คุณหมอสูบทำไมรู้จริงไหมรู้เรื่องสุขภาวะจริงไหม ถ้ารู้จริงคุณหมอทําร้ายตัวเองทําไมเพราะครูพูดแรงได้เพราะว่าเขาศรัทธากระทุ้งให้คุณหมอทิ้งบุหรี่แล้วสุดท้ายคุณหมอก็ต้องทิ้งตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนเมื่อเราสูบให้เขาเห็นแล้วบอกว่าอย่าสูบนะ่นมันไม่ดีนี่มันมีน้ําหนักไหมเนี่ยตอนนี้ความรู้ทุกวันนี้มันเป็นแค่นี้ไงมันรู้ไม่จริงรู้แค่ครึ่งเดียวรู้ว่าสูงสุดเลขที่สิบสองไงเราไม่รู้เรื่องกดแห่งกรรมเราไม่รู้เรื่องชีวิต นะก็คำถามที่สองอัตราคืออะไรนะพระภูพึงพูดเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนนะก็มีนิทานเซนเอาเซนมาพูดดีกว่าจะได้ชัดๆเราไปแปลว่าอัตราเป็นอย่างนั้นอันปปายางนี้เนี่ยมันเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะก็ มีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งไปพบอาจารย์เซนที่วัดแห่งหนึ่งพ่อครูไม่ไม่จำชื่อนะวัดแห่งไหนอาจารย์เซนชื่ออะไรพ่อครูไม่ต้องจําเอาเนื้อหามันก็พอนะแล้วถามอาจารย์เซนว่าช่วยอธิบายเรื่องอัตราให้ฟังหน่อยได้ไหมถามตามลักษณะผู้มีอานาจอาจารย์เซนพูดว่าทําไมถามอะไรโง่ๆแบบนี้ นายกธนมนตรโกรธมากเพราะไม่เคยมีใครกล้าที่จะพูดกับเขาแบบนี้อาจารย์เซนจึงพูดว่าพระนท่านอั ต, ตาก็เป็นเช่นนี้เองเขาไม่ได้สนอัตตาเป็นไงเขาทำให้เราเห็นอัตตาเราถ้าเซนไม่ศรัทธาจริงๆเนี่ยตีกันตายเลยนะเซนเขาพยายามดกเรกคำพูดอธิบายบางทีเขาตะหัวเลยเห็นไหม อั น, นี้เขาพูดเลยว่าถามอะไรโ ง, ง่โโกรธเลยไงถ้าคนไม่มีอัตตาเขาไม่โกรธหรอกอา จ, จารย์เซนบอกอันนี้เขาเรียกว่าอัตตานะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างมีจะมีแตเจ้านายใหญ่โตเลยนะผู้วา่าราชการคนหนึ่งเดินทางไปที่วัดเพื่อจะเข้าพบอา จ, จารย์เซนผู้เฝ้าวัดจึงถือป้ายบอกชื่อนามสกุล และตำแหน่งผู้วา่าราชการจังหวัดไปแจ้งให้พระอาจารย์เซนดูก็ถือป้ายไปให้ดูเพราะพวกนี้เขาไม่ค่อยพูดกันนะไม่ใช่ใช้ภาษาอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอาตมาไม่มีอะไรที่จะพูดกับคนคนนี้เชิญเขากลับไปผู้เฝ้าวัดก็เอาป้ายเขามาคืนก็บอกผู้ว่าว่าอาจารย์เซนบอกว่าเชิญกลับไปท่านไม่มีกิจอะไรต้องคุยกับเรานะ ทีนี้ผู้ว่าคิดได้เพราะผู้ว่านี่เป็นทุกศิษย์อาจารย์เซนนะจึงลบคําว่าผู้ว่าว่าราชการออกแล้วให้ผู้เฝ้าวัดนําไปแจ้งให้อาจารย์เซนทราบอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าเออคนคนนี้อาตมากําลังคิดถึงเขาพอดีเชิญเขาเข้ามานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะไปที่ในวัดเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ต้องวางหัวโขนตัวตนต่างๆออกก่อนเรื่องพื้นฐานแค่นี้ก็ไม่รู้อาจารย์เซนบนนะแล้วจะมาวัดให้เสียเวลาทำไมเหมือนน้ำมันเต็มแก้วนั่นแหละไม่มีพื้นที่ที่จะรับอะไรเพิ่มเติมได้แล้วเพราะถูกอัตากั้นบังจนหมดคณะสัญญากั้นบังอนตัตตา เกิดมาปุ๊บเขาก็ตั้งชื่อลูกชื่อบัญชานะก็หนึ่งสัญญาละนี่พ่อนะแม่นะนี่เงินนะนี่รวยนะนี่ชนะนะนี่บ้านนะนี่รถเบนน์นั่หลายๆสัญญาคณะสัญญากลายเป็นอัตตาขึ้นมากั้นบังให้เราไม่เห็นอนัตตาผู้เจ้าถึงไปสัตจารู้ถึงบอกให้เราต้องขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มแค่สติสมาธิเมื่อเราจะเลินป่าไปเตรียมความพร้อมนะ เออไปเตรียมเครื่องมือเครื่องมือนี้เรียกว่าสติเครื่องนี้เรียกสมาธิไม่ถูกใจเช่นหนึ่งเตรียมอยู่ตรงนั้นละไม่เดินสักทีหนึ่งถามว่ามันออกจากป่าได้ไหมเราต้องทำลายอัตตานั้นใะเมื่ออัตตาถูกระเบิดทิ้งแล้วเนี่ยมันเป็นตัวบันทึกสัญญาต่างๆแล้วก็สัญญาต่างๆสร้างเป็นอัตตานั่นละเป็นอัตตาเป็นอีโก้นะ ด็อกเตอร์คนที่เขาจะฆ่าตัวตายสองสามวันทิดก่อนเนี่ยก่อนจะตายเขาก็โยนเปเปอร์เนี่ยให้ตํารวจเขียนว่าไปบอกว่าถูกสองคนนี้แกล้งมาตลอดคนอย่างเขาเนี่ยฆ่าได้ยามไม่ได้นีมันยิ่งเรียนมันโง่ขนาดนี้เนาะคนที่ฆ่าคนอื่นนี่ถือว่าชั่วมากเลยนะแต่คนที่ฆ่าตัวเองนี่ไม่ใช่ชั่วเฉยเฉยมันโง่แสนโง่เลยเหร ไอ้ฆ่าตัวตายเนี่ยต้องไปจ่ายหนี้กรรเน็จเขาเรียกว่าตายโหงเนี่ยห้าร้อยชาติคําว่าตายโหงคืออะไรคือไม่แก่ตายสักชาติหนึ่งไม่ถูกลดชนตายก็ถูกเข้าฆ่าตายก็คือว่าไม่ป่วยตายคือไม่มีการแก่ตายหมดเพราะว่าเขาให้ร่างกายเรามาแล้วเราไม่รักมันไม่เอาเป็นเครื่องมือเดินทางเราฆ่ามันทิ้งอะนะเราไม่เคยเรียนรู้วิชานี้เลยและเราก็ไม่เชื่อด้วย อย่ามาพูดเรื่องเวียนไหวตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมพาะครูก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆ40สี่สิบปีเนี่ยศีลห้าบอกไม่ให้ทำไรทําหมดลูกน้องไปวัดไปปฏิบัติมามึงพูดเหลืองเรื่องบาปบุญคุณโทษมึงไปไกลไปไกลๆละสมีเดี๋ยวถูกเตะเพราะเราเป็นคนดื้อมากเราต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไง เรื่องพูดเรื่องเวียนไว้ตายเกิดบางมนทั้เรื่องเรื่องสัมผัสไม่ได้มึงไปไกลๆเพราะคูเป็นคนอย่างนั้นจริงๆและเข้าใจทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิชาแบบนี้การศึกษาไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องผิดนะวิชาการเป็นเรื่องกลางๆอยู่ที่ว่าใครจะฉลาดใช้มันเนี่ยมาทำประโยชน์ให้ตัวเองกับคนอื่นหลายคนเนี่ยใช้วิชาการตัวนี้เนี่ยไปเป็นเครื่องมือห้ามหันนะ โดยเฉพาะตอนนี้นานๆครั้งถ้าพ่อครูเข้าไปในเมืองนะแก้วทิพย์เขาก็ไปทําธุระพ่อครูก็เดินไปดูนังล้านหนังสือไปดูหนังสือที่ขายดีที่สุดนั่นแหละพ่อครูจะเห็นอารมณ์เวลานี้คืออะไรเวลาที่เศรษฐกิจกําลังฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟือยหนังสือสู้แล้วรวยเนี่ยขายดีมากนะคิดบวกนะโอเต็มไปหมดเลย แต่ช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดีหนังสือธรรมะค่อยเกิดขึ้นนะไอ้ไอที่คิดบวกนี่พวกครูไม่เห็นด้วยนะไอ้คนโลกนี่เขาอยากได้เนยเคาใช้อุบายวิธีไปสอยนั้นเราคิดบวกนะเพื่อปบเกินคิดลบเนี่ย อ, เ, เ, หอเหมือนเราปวดหัวก็กินยาพาราไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้แก้ปัญหามันดับปัญหาชั่วคราวนะ คนในศาสนาเองเป็นครูบาอาจารย์ไปสอนให้คิดบวกไปสนองสันตาหผู้คนเนี่ยพราะคูไม่เห็นด้วยพระบุตรเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแน่นอนถามถ้าตอบตรงๆนะที่เราคิดบวกนี่เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่มีความอยากอยากทั้งนั้นแหละถึงคิดบวกอยากได้อยากสำเร็จอยากเก่งกว่าคนอื่นก็คิดบวกใช่ไหมตัณหาคือที่มาของทุกข์ไงเอาจะแก้ยังไงล่ะแก้โดยไม่ต้องคิดลบได้ไหม คุณไม่ต้องคิดลบได้ไหมคุณก็ไม่ต้องคิดบวกคุณก็มีหน้าที่ทําขยันทําไปมันได้ก็ดีใจมันเสียก็ต้องดีใจเอาเสียแล้วดีใจทําไมเอาทำไมเสียไม่ได้ใจละ่ะแล้วทำไมทาไมได้ต้องดีใจละ่ะใครบอกคุณใครสอนคุณว่าได้ถึงจะดีใจนี่คือความรู้ผิดนะภาษามันสอนไงทุนนิยมมันสอนไงเอาล่ะได้ดีใจเพราะเรารู้อยู่แล้วใครก็ดีใจถูกวันที่หนึ่งก็ดีใจ แข่งแล้วเราชนะเราได้เราก็ดีใจแล้วเสียดีใจได้ยังไงทําไมเสียจะไม่ดีใจล่ะเสียต้องดีใจมากกว่าได้นะถามว่าเราไปเรียนหนังสือทําไมเด็กๆไปเรียนหนังสือทําไมทุกวันนี้กว่าจะเรียนอนุบาลจนถึงปริญญาตรีโทเอกขึ้นค่อนชีวิตลงทุนชีวิตไปขึ้นค่อนชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ลงลงเงินให้เราเสียเวลางเสียเงินเพื่ออะไรเพื่อแลกกับความรู้ใช่ไหมบอกว่าใช่เอาความรู้ทําไม ไปแลกเป็นเงินไปทํามาหากินอีกเอาเงินไปลงทุนแลกความรู้เล่าความรู้ไปแลกเป็นเงินเล่เาเงินมาเลี้ยงชีพทาสานมันไม่ทํานะลิงมันก็ไม่ทํานะมันเลี้ยงชีพได้เลยไงแต่มนุษย์ยุคนี้เราไม่เรียนก็ไม่ได้แล้วก็ถูกข้ออ้างว่าเดี๋ยวจะไม่มีงานทําอะไรเนี่ยนะแล้วก็เรียนไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมทุ่มเทเรียนเพื่อความรู้แต่พอเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเป็นความรู้อย่างยิ่งเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งทําไมไม่ดีใจ แล้วต่อไปเราจะไม่พลาดอีกต้องดีใจพอไม่เคยพลาดนะได้ตลอดพอวันใดนี่พลาดลงมาตกเขวเลยบางทีฆ่าตัวตายนะได้ก็พอใจเสียก็พอใจนั่นลหละคือทางสายกลางถ้าเราฝึกจิตให้ได้เป็นอย่างนั้นน่ะใครจะทำให้เราทุกข์ได้ นะก็ยังมีเวลาสมัยพุทธกาลพาะครูไม่จำชื่ออีกมีพนางคนหนึ่งครอบครัวยากจนนะแล้วเหเล่ล่อนมีสามีมีลูกสองคนลูกคนหนึ่งก็เดินได้อีกคนหนึ่งลังแบบ่เดินภัยผ่านระหว่างทางสามีถูกเสือกินตายกินไปตา ย, ตาย ก็พาลูกอีกสองคนเดินไปไปเจอแม่น้ำก็ทิ้งลูกคนโตไว้ตรงนี้ก่อนหวัดรอแม่ที่นี่นะลูกก็เอาคนเลน็กนี่ลอยน้ำไปวังไว้ตรงนนนพอจะกลับมาไอคนโตมันตามแม่ไปนะแม่ก็ลอยข้ามมายังไม่ถึงไอคนโตก็จมน้ำตายต่อหน้าเนี่ยพอไหวกลับไปอีแแหลงตัวหนึ่งก็มาคาบลูกตัวเองลอยไปเลย เป็นบ้าสูญเสียหมดเลยเดินไปแก้ผ้าไปเดินเข้าไปในบริเวณที่พระพุทธองค์เนี่ยกำลังเจริญกรรมาฐานกันสาวกไม่ยอมไม่เข้าไปผู้เจ้าเห็นด้วยยานบอกให้เข้ามาพระองค์เทศคำเดียว บอกทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่บังเอิญบา ร, รมีเก่ามีก็บรรลุธรรมไงไม่ใช่เห็นทุกข์ไม่ดีนะสุดยอดอย่านีนี่รีบจ่ายมันหมดคนโง่นะที่เราทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นนะ ที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่อปล่อยวางแต่คำว่าวางไม่ได้ไปว่าทิ้งภาระหน้าที่นะวางความยึดมั่นถือมั่นนะแต่ตั้งมั่นทำหน้าที่เขียนนี้ให้หมดหมดไวๆนะอย่า ก, กอดกันข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่เรื่องของการเดินทางไปสู่การพ้นทุกนะมาที่ศูนย์พราคูต้องพูดความจริงผู้เจ้าสอน เน้นสอนอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เน้นสอนให้เราเป็นอะไรพอ ก, กูตอนระเบิดใหม่ๆอยอเมริกานะเพื่อนต่างชาติซึ่งเป็นคนต่างศาสนาพอ ก, กูก็ไม่รู้เรื่องพุทธแต่ตอนนั้นมันถามอะไรพอ ก, กูตอบได้หมดเลยพอระเบิดปุ๊บพอ ก, กูถวายเช่นพุทธเจ้าเนี่ยมาไม่กี่ปีที่ผ่านมามีฝรั่งคนหนึ่งมาเนี่ยก่อนจะมาศึกษาประวัติพอกูพอกูสามชั่วโมงบรรลุธรรม ประสบการณ์แค่สามชั่วโมงและพ่อครูบอกเองว่าศินห้าก็ไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าพ่อครูไม่รู้พระพุทธเจ้าระเบิดปุ๊บทําไมถวายชีวิตพระพุทธเจ้าเหรอเขาเขามาจับพ่อครูว่าตอบสิพวกนี้มีความคิดแค่เรื่องชาติเดียวถ้าใครเอาประวัติพ่อครูตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะนักเลงเรียกพี่นะนะไปเล่นการเมืองคนไปเล่นการเมืองมาต้องเคี่ยวมากมากเลยล่ะ นักเลงเดียดพี่นะสินห้าไม่มีนะเป็นไปได้ไม่อยู่ๆก็จะมานั่งแสดงธรรมอยู่ที่นี่เป็นไปไม่ได้เดืดขาดถ้าเอาตามเรคคอร์ดที่เหล่นั้น่ะมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะแล้วทำไมมันเป็นไปแล้วไงพอมันระเบิดปุ๊บมันรู้หมดเลยในวินาทีนั้นมันรู้หมดเลยเพราะมันรู้มาแล้วไงถวายชวิอพระเจ้าทันที แต่พอเกิดมามันทำให้ลืมไงเห็นไหมมันก็มีเกลียดตัณหาอุปทานเขาไปสร้างกรรมอะไรเยอะๆบังเอิญบุญเก่าทั้งนั้นแหละที่กระชากเราออกมาเวลานั้นถวายชีวิตเลยไงเพราะความรู้เก่ามันตื่นขึ้นมานะแล้วก็เพื่อนนอกศาสน า, าก็คุยกันเขาสรุปแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> คุยเรื่องศาสนาไม่จบหรอกแต่ละคนก็ว่าของตัวเองดีนะเขาก็บอกว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีตอนนั้นจิตพ่อกูบอกว่าไม่ใช่ พุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีนะเพื่อนมีมีคริสมีอิสลามมีแข่คนหนึ่งฮินดูด้วยนะบอกไม่สอนให้คนดีสอนทำไมศา ส, สนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วเป็นนี่เป็นอัตตานะสอนให้ทาดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสสอนให้ทาดีแค่พอดีแต่ไม่ติดดีติดดีเมื่อะไหร่เป็นอัตตา เข้าใจไหมอุ้ยฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีมันด่าคนชั่วทุกวันเนี่นะคนดีด่าคนอื่นได้ไหมไอคนด่าคนอื่นเป็นคนชั่วอย่างยิ่งเพราะว่ามันติดดีไงศาสตาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นอะไรสอนให้เราพ้นทุกสถานเดียวทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรคือตัวทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกตัวตัณหาคือที่มาของทุก องค์มไม่ได้ดับที่กิเลสนะดับที่ตัณหากิเลสดับไม่ได้กิเลสคือความเคยชินเรานะแต่กิเลสคือที่มาของตัณหาเหมือนเรากินหวานบ่อยๆแล้วก็ติดหวานนั้นไปนกลายเป็นกิเลสแล้วเราเราก็อยากกินหวานตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไปหาของหวานมากินได้กินหวานปุ๊บอุปท า, านก็เกิดแล้วก็รู้สึกเราพอใจพอถูกแย่งไปปุ๊บเราก็เลยทุกข์ทีนี้วิธีดับตัณหา ต้องใช้สติปัญญารู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันกิเลสมันสร้างอารมณ์อยากปุ๊บเรารู้เท่าทันมันเราดับมันพัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดอันนี้ดับได้ชั่วคราวเจริญสติเนี่ยบางทีก็ทันบ้างบางทีก็ไม่ทันบ้างแต่ถ้าเราจเจริญวิปัสสนาเราเกิดปัญญารู้แจ้งว่า ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราก็ไม่ใช่ของเราจะมีอะไรเป็นของเราไหมมันก็ไม่มีไงมันก็จางคลายความยึดมันมันก็ระเบิดอัตตาทิง้งกล่องบันทึกสัญญาลนะทิง้ง <c oughs> เข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาอันนั้นคือปลอดภัยไม่ต้องเวียนไหวต า, ายเกิดพระพุทธองค์ถึงบอกราหุ่นว่า อย่า ก, กลับมาโลกนี้อีกพิจาราดูนะทุกคนมีครอบครัวเรารักลูกเราจริงไหมเราสอนให้ลูกสร้างอนาคตพระพุทธเจ้าสอนลางหุนว่าอย่ามีอนาคตอย่า ก, กลับมาอีกแต่ตอนที่เรายังไม่ตายเราต้องมีอยู่มีกินเราต้องมีสัมมาชีวะ เมื่อเรามีอยู่มีกินแล้วแล้วก็แบ่งปันให้มนุษย์เียชาตินะเหมือนเรามีองค์กรเออเราพอแล้วแต่เราต้องเลี้ยงชีพหลายหลายคนนะนะเสียภาษีให้รัฐนะก็ทำหน้าที่ไปแต่อย่าไปทุกข์กับมันมันไม่ใช่ของเรานะศูนย์แห่งนี้โรงเรียนสองแห่งไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพวอคู่ เรือหลายคนมาอยู่ที่ศูนย์นี่เคยชินว่าโอ้เออมาช่วยกันสร้างที่พักอะไรๆเนี่ยนะเพราะกรูขึ้นป้ายนะที่พักครูกับนักเรียนนะไม่ใช่ย้ายที่ทุกเฉยย้ายบ้านกูที่โน้นมาอยู่บ้านกูที่นี่นะแบกมาอีกนะไม่พลนทุกทุกคนอย่ามาถือสิทธิ์ที่นี่เพราะครูก็ถือสิทธิ์ไม่ได้ไม่ใช่ของใครเพราะเราตายแล้วเนี่ยเราไปด้วยไม่ได้ มันของโลกของจักรวาล น, นะโลกใบนี้ของสปปรรพสิ่งไม่ใช่โลกมนุษย์มนุษย์เราคิดตู่ว่าโลกมนุษย์ฉันจะทําอะไรก็ได้นะจะเจาะน้ํามันขึ้นมาใช้ก็ได้กว่าจะเป็นน้ํามันกี่ล้านปีไม่รู้ฉันเจาะขึ้นมาวันนึงหลายล้านบาバレลมาแลกเป็น g d p ีพข้างล่างก็เป็นโพรงหมดนะมนุษย์คิดตู่ไงสร้างกำหนักเลยตอนนี้เนี่ยธรรมชาติมันไม่ปกติผีเสื้อมันออกมาเยอะนี่ไม่ใช่ปกติมันผิดปกติ นะปีนี้เป็นปีที่เห็นชัดดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนฉับพันเย็นฉับพันนะระวังนะระวังสุขภาพนะก็พวกครูขอเตือนทุกคนว่าถ้าพูดมากไปมันจะกลายเป็นไสยศาสตร์บางบอกเอ๊ะพวกครูลับคืนได้ขึ้นอะไรเหร อ, อจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะสมัยก่อนโทรศัพท์กิ้งมีสายดังไปทั้งบ้านใช่ไหม ตอนนี้พวกเรารับคลื่นได้ไงแอบไปห้องน้ําไปโทรหาเพื่อนอยู่กรุงเทพนะทําไมรับคลื่นได้ล่ะวิทยาศาสตร์ไม่ค้นพบคลื่นตามธรรมชาติแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยมาคอนโทรนมัอนตอนนั้นเองจิตก็รับคลื่นได้คลื่นเวียนขึ้นกรรมขึ้นของวัฏฏะสงสารคลื่นตอนนี้พวกครูบอกพวกเรานะอย่าสิ่งอยู่ในที่ตั้งประคองตัวสามโลกธาตุมันทะลุกันหมดแล้ว ถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์คล้ายๆว่าซะว่าเราเป็นหนี้ธนาคารธนาคารเนี่ยมันถึงดิวมาทวงหนี้ละนะเป็ดอสุรกายขึ้นมาแล้วนะมันเป็นช่วงมันกำลังสาสางหนี้ทุกคนมีมีหนี้กรรมหมดละละ่ะแต่บุญเราก็มีเมื่อเช้าพระครูฉายให้ดูเรื่องระบทชีบวทเนนที่นี่นะเราคุยกับปณวาดคุยกับปุ๊กกับเนี่ย หลายคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อครูไม่ได้วางแผนพ่อครูไม่กล้าคิดนะงานที่ศูนย์ก็เยอะอยู่แล้วแต่ขึ้นมันเป็นอย่างนี้มันก็ส่งเสริมให้เราทำฝ่ายอากุศลมันมาเราต้องสร้างกุศลมากขึ้นมันจะผ่อนหนักเป็นเบาอันนี้ในแง่องค์กรส่วนตัวพว่อครูไม่ใช่ไม่โดนนะมันก็โดนนะห้าปีที่แล้วครั้งหนึ่งห้าปีนี้พ่อครูเดินทางไปเพชรบูรณ์ไปสอนอะไรเนี่ยไม่มีเสียงเลย ไปวันทั้งคืนไม่ต้องนอนทั้งคืนนะเจ็ดแปดวันไม่ต้องนอนนะก็ท้องทำหน้าที่แต่มันทำให้จิตใจพระครูทุกไม่ได้เท่านั้นเองเพราะดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยที่มาของมนุษย์มีอยู่สอย่างนะจำไว้หนึ่งกรรมสองจิตสอุตุอุตุคืออุณหภูมิร้อนเย็นแล้วก็สี่อาหาร ไอ้สี่อย่างเนี่ยทำให้เรามาเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ต้องอาศัยอาหารของแม่นะและไอ้กรรมที่บันทึกอยู่ในจิตนะ่ทำให้เราเกิดอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงนะเกิดอยู่ที่ไหนทำไมเป็นเผ่าพันธุ์ไทยทำไมไปเป็นคนขเขมรเป็นฝรั่งเป็นอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยกรรมที่บันทึกอยู่ในจิตนะั้นนะ่ะมันส่งมาเกิด แล้วอยู่ในเกิดตรนนั้นกรรมก็ทำว่าเกิดอยู่ในนั่นอยู่ในท้องแม่แม่สมบูรณ์ไหมอุณหภูมิในท้องแม่ปกติไหมถ้าปกติปุ๊บเราก็เป็นคนแข็งแรงมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆถ้าอาหารแม่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ดีด้วยเป็นกรรมร่วมนะพอเกิดออกมาปุ๊บร้องไห้แย่ yeah! นะทีนี้เราก็มีกายจิตอารมณ์สมอย่างเรามีขันห้ารูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณแบ่งอย่างงี้นะหัวไม่โป้งนี่คือรูปคือกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟสามอย่างนี้เนี่ยเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่คือตัวอารมณ์เป็นตัวเจตสิกส่วนตัวนิ้วก้อยเนี่ยเป็นตัววิญญาณเนี่ยนะตัวนี้คือตัวจิตส่วนประกอบเรามีอยู่3อย่างแต่ที่มาของมันมีอยู่สีอย่างนะแล้วเกิดมาปุ๊บ แทนที่จะทำกรรมดีถ้าทากรรมดีอารมณ์เราก็ดีไปทำกรรมชั่วเพราะเรามีความอยากมีโลภโกรธหลงเห็นไมก็กรรมอีกอะ่ะก็บันทึกในจิตเนี่ยเห็นไมอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็สร้างกรรมใหม่เรื่อยๆจิตเราก็มัวหมองก็ทุกข์แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอีกก็กลายเป็นสี่อย่างนั้นก็ส่งให้เราไปเกิดอีกมันถึงไม่จบไม่สิน้น ขันหแบ่งเป็นสมไม่ใช่รูปประธรรมอย่างเดียววิทยาศาสตร์เอารูปประธรรมอย่างเดียวต้องช่างตวงวัดได้ถ้าช่างตวงวัดได้ฉันปฏิเสธหมดทุกคนเดี้ยงหมดไงนะปฏิเสธเรื่องอารมณ์การศึกษาก็เอาไอคอย่างเดียวเห็นไหมเอาไออย่างเดีย ว, ว i n t e l l i g e n c quotient หรือ quality เอา IQ อย่างเดียว ปฏิเสธ EQ ด็อกเตอร์ถึงค่าตัวตายไงอาจารย์ผู้เลีทาสยังบอกการศึกษาหมาหางด้วนไงมันไม่ครบองค์ไงทีนี้เอา EQ ก็ไม่พอ EQ ก็ไปเล่นดนตรีโอ้ยพราะอาศัยเครื่องมือนี่ฉันโอ้ยฉันมีความสุขพอถูกเขาแย่งไปก็เลยทุกข์ไงเราขาด MQ ด้วยคือโมโ a ล i t ีศีลธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณต้องไปสามอย่าง โปรแกรมที่เราทำเนี่กายฟิต จ, จิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขดูเหมือนหยาบหยาบดูเหมือนง่ายๆแต่มันแฝงด้วยอะไรอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ที่ว่าปฏิบัติต่อเนื่องไหมสามอย่างนี้อยู่ในนี้ก็อยู่ที่ทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสก่อนที่จิตพ่อครูจะเซตอัพอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยพ่อครูต้องดูคลื่นดูอารมณ์ ตอนนี้คลื่นเวรคลื่นกรรมมันแรงมากยกตัวอย่างว่าตอนนี้เกิดศึกสงครามอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ว่าใครเพราะเราเคยมีสงครามกับพมา่ามาแล้วหลายรอบถ้าเกิดเกิดศึกสงครามพม่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถขี่คอช้างถือเงีว้วถือเงาวฟันดาบไปสู้รบได้ไหมถูกมันยิงตายหมดอะและการฝึกกิจยังไม่ต้มๆเตี้ยมๆอย่างนั้นอยู่ละมันทันไหมไม่ทัน ครูบาอาจารย์วัดป่าเราก็เห็นไหมบวชสามสี่สิบพรรษานะเจริญสติเป็นศิษย์ผู้น้องพ่อครูนะถ้าหลวงพ่ออยู่เนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยอยู่ท่านเตือนอยู่ด้วยเม่อจะถือศีลนั่งสมาธิจะไปไหนท่านสอนสมาธิสอนอานาปัญสติแต่เป็นบาปฐานเบื้องต้นถ้าท่านอยู่ท่านจะแกะให้บังเอิญท่านจากไปก็ไปแป๊กอยู่ตรงนั้นท่านบอกว่ามันจะไปไหนตอนนี้เขาไปไหนล่ะก็ไปแต่งงานไงเห็นหรือยังไม่ใช่ผิดนะ ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ท่านยังสะสารคดีความไม่ได้ท่านมัวจ ะ, ะติดทิ่ s ต r a t e g i c a l l ไงท่านไม่ได้เข้าไปในจิตในจิตไม่เข้าไปสะสามสะสารคดีความไม่ไดไปแก้ที่ต้นเหตุของมันนะเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราทำนะเราไม่เห็นคุณค่าของมันเองไม่รู้ไปทำทำไมถูกบังคับให้ทำเอาอย่างน้อยๆวันนั้นมีคนนึงมาจากกรุงเทพแรงมากปุ๊กคุยคุยด้วยไม่ได้นะเขาเป็นคนรู้มากจริงๆ มีแต่พระครูคุยกับเขาได้พรอครูไปไหนก็เดินตามเดินตามนะถามอะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปเจอเซนท่านทำไมถามอะไรโง่งๆนนะสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับคือติดความรู้ไงถามหลายอย่างนะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะพระครูก็เมตานั่นแหละถ้าไม่ปลดอัตรากับเขาเนี่ย เขาจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เขาหลงว่าเขารู้รู้อยู่แต่รู้ไม่จริงไงนาฬิกาเลขสิบสองมันก็สูงอยู่นะก็รู้ส่วนหนึ่งไงคุณรู้ครึ่งหนึ่งไงแต่คุณรู้ไม่จริงมันมีต่อไป้วยเห็นไหมคนเรามาที่นี่จะแบกอัตามาทุกคนก็มีอัตตาแต่มาแล้วพยายามจะเปิดจิตซะทำตัวเป็นกลางๆน้าแก้วป่ากมาเรียนรู้ด้วยกัน พ่อครูไม่ได้สอนใครนะพ่อครูไม่บังอาจยี่ปีพ่อครูมาอยู่ที่นี่อายุ67แล้วเนี่ยยีปีไม่เคยชะายสมองงองงมาสอนใครเลยนะที่พูดให้ฟังเนี่ยเอาประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมมาแบ่งปันใครจะรับก็รับเป็นเรื่องนาน า, นาจิตตังพ่อครูบังคับใครก็ไม่ได้ไม่เคยบังคับให้ทําอะไรเหมือนพ่อครูเลยนะถ้าบังคับได้คงดีพ่อครูสอนวิชาสามชั่วโมงบรรลุธรรมจบเลยไม่ต้องเสียเวลามันทําไม่ได้ไง มันข้ามพ้นมันไปเห็นนานาจิตต่างแล้วมันไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งไงอยู่ที่ว่าเราจะตั้งมั่นศรัทธาโอเคคนคนนั้นเขาถามพระคุณเหมือนว่าพราะคุณแน่ใจยังไงที่ทําอย่างนี้นะ่ะนะใช้คำว่าพ่อคุณแน่ใจยังไงที่พ่อคุณพาเขาปฏิบัติแล้วมันจะพ้นทุก์ได้จริงพ่อคุณบอกพ่อคุณไม่แน่ใจพรอคุณไม่มีใจเราเบิดทิ้งหมดแล้วเหลือแต่จิตถามว่าคุณเสียอะไรไหมคุณมาที่นี่ คุณต้องซื้อตั๋วเข้ามาไหมคุณเสียอะไรบ้างคุณไปกินข้าวพระแขกเก็บตังไหมคุณเต้นอยู่นะั่นคุณต้องเสียอะไรไหมไม่ได้เหงื่ อ, อเสียเหงื่อนะ่ะแล้วเป็นยังไงแข็งแรงก็นั่นแหละคือคําตอบเราเสียอะไรไหมเวลาไปออกกําลังกายเหนื่อยมากตากแดดเหงื่อออกกยย็ยังอุตส่าห์ออกอยู่เพราะคุณสัาร์ใช่ไหม สิ่งนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ศรัทธาแล้วคุณก็มีแต่สงสัยอยู่ตรงนั้นแหละอันดับแรกถามว่าคุณเสียอะไรมีแต่สงสัยเนาะทปฏิบัติก่อนทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะอย่าเพิ่งปฏิเสธทําไปบางอย่างนี่มันพูดด้วยภาษาไม่ได้นะวันนั้นพระคูก็ให้แกมเหมือนกันละเอามือออกมา อ้ายกนี่เอาสองนิ้วก็พอยกนะพวกอัตตาเยอะๆต้องให้เขายกนะอ้าเพ่งมันเพ่งมันอย่าปล่อยนะยกอย่างนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนนะถามว่าทีลกยกได้ก็พอยกได้ถ้าเจ็ดวันเจ็ดคืนล่ะเขาบอกมันจะหนักจะทําให้มันเบาทํำยังไงเขาบอกว่าวางถามว่าวางยากไหม ต้องไปฝึกไหมไม่ต้องมันไม่ใช่มีชาสอนก็วางเลยสิวางไม่ยากเลยเห็นไหมตํารวจก็ไม่จับไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องเสียสตางค์แล้วมันยากตรงไหนลรอเมื่อเรียง ว, วางไม่ลงแล้วก็วิ่งวนเวียงวางวาง่าเวียงไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอเรามีกําลังปึ๊บเดี๋ยวมันรู้กําลังคือว่าปัญญาในการปัญญารู้เลยว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่ใช่มึงแบ่งไว้ทาไมถึงจะเป็นทองคําฉันก็ไม่เอา นะพวกคูดูเวลานะจะไม่เลยเวลาพวกเราเนี่ยคุณไม่ชีน้อยนั่งอยู่ที่นี่เรามีโอกาสไปทัชชันศึกษากันไปเยี่ยมพระอาจารย์ปรมีนะที่เขาค้อผาช้อนแก้วพระอาจารย์ก็เมตานะท่านงานเยอะมากท่านตั้งใจนั่งเครื่องบินมากลับมามาต้อนรับพวกเราท่านก็พาเดินไปอยู่เจดี JD ชั้นหก พ่อครูเคยได้ยินนะแต่พ่อครูไม่เคยไปมีเจดีแก้วเนาะเพชรพลเต้ยไปหมดเลยมงกุฎนางสาวไทยคนที่ได้เป็นนางสาวจักรวาลด้วยเห็นไหมแล้วก็มีไอ้ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรที่เขาถือนะเป็นทองเป็นเพชรอะไรเนะี่ยเขาก็เอาไปถวายไว้ที่นั่นเพชรนินกินดาทั้งนั้นแหละพ่อครูบอกไม่ชี้เด็กๆนั่งนั่งลงลูก เดี๋ยวกราบพร้อมกันนะลูกเราไม่ได้กราบก้อนอิดก้อนหินเหล่านี้นะเอาเพชรอพลอยมาตำตำต ำ, ตำมันก็เป็นแค่ผงท่านั้นเองแะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเรากราบเพื่อละลึกถึงเจ้าของเขาเนี่ยเขาวางได้ยังไงมีมุทิตาจิตแสดงความยินดีเขาที่เขาวางได้ทุกคนก็กราบพอลงมาจากเจดี ไอ่ชี้ชมพูร้องไห้ใหญ่เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนหายไปไหนพ่อครร้องไห้ทำไมลูกเขาวางได้ยังไงตลอดชีวิตชมพูอยากเป็นดาราเนาะอยากอยากอยากอยากจะมีสิ่งนี้แหละเพื่อจะให้แม่อยู่ดีกินดีวันนั้นร้องเฮ้ใหญ่เลยหนูไม่เอาอะไรเราแล้วเห็นไหม ทุกอย่างคือทรมาหมดอยู่ที่วลาเราจะมีปัญญาเห็นเหมือนไหมไม่เห็นหรอกถ้าเผลอพวกจะแย่งกันเอาจะขโมยของเขาด้วยใช่ไหมพระครูไปด้วยทุกคนได้ปัญญานะแล้วก็เด็กๆตัดสินใจไม่บวชกันไม่ไม่สึกกันสักคนหนึ่งคิดว่าบวชเดือนหนึ่งไปจะสึกที่โน้นไม่สึกนะกลับมาบวชต่ออีกลูก ก็พรอครูอนโมโทนากับทุกคนด้วยนะก็บวชเที่ยวนี้ก็บวชเข้าพรรษานะจนปิดเทอมปิดเทอมแล้วยังไม่สึก น, นอออกพรรษาก่อนวันที่สิบหกตุลาออกพรรษาหนึ่งวันแล้วก็ใครจะสึกก็ได้นะไม่ได้บังคับไม่ได้ไล่ออกนะใครจะต่อยาวเดี๋ยวพ่อครูจะสร้างต้องเรียกว่าหอพักไม่ฉีไม่ใช่กุดไม่ฉีล่ละเพราะเราต้องเรียนต่อไปแล้วสร้างหอพักเน้นนะ ศูนย์ก็ต้องเลยิ่งฝ่ายอากุศลมันมาทวงนี้เนี่ยฝ่ายกุศลต้องแรงขึ้นเพราะเราไปหยุดมันไม่ได้ฝังปะคูนะทุกคนอยู่ในที่ตั้งมันเป็นสภาวะซึ่งโลกนี้ขาลงโลครคภัยไข้เจ็บจะตามมาสัตว์มันรู้มันรีบเผยแพร่เผ่า พ, พันธุ์ของมันแล้วก็ความแห้งแล้งต่างๆนะหลายปีเนี่ยที่พักปะคูในริมน้ำมันนะในฤดูมันก็มีอีกามาสักสี่ห้าตัวเป็นเป็นครอบครัวหนึ่ง มาที่บ้านนะปีนี้มันขนมาไม่รู้เป็นฝูงเลยเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เมื่ออุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะกระทบอุณหภูมิในตัวเรานะวิธีรักษาโรคนี่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุต้องแก้ที่พฤติกรรมพฤติกรรมสาเหตุทําให้ร่างกายในเนี่ยเย็นร้อนไม่สม่ําเสมอ หมอบัญชาก็พูดเรื่องนี้นะถ้ามากลดถ้าน้อยเพิ่มเห็นไหมการรักษาสมัยโบราณเนี่ยเขาแก้ที่มันร้อนก็กินเย็นมันเย็นก็เพิ่มร้อนอันนี้คือสาเหตุตอนนี้เรารักษาแบบปลายเหตุไม่ผ่าก็ตัดยิงเลเซอร์ฉีดยานวดฝังเข็มอันนี้คือปลายเหตุต้นเหตุคือพฤติกรรมทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะ ทุกคนรักษาสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งวิกฤตเท่าไหร่นี่อย่าประมาทขนาดเราระวังนะที่นี่ระวังไม่ที่นี่ไม่สิ่งที่นี่ไม่เสี่ยงเลยเลยไม่ต้องไปเล่นเกมเสี่ยงไม่มีได้ไม่มีเสียนะขนาดเราทำกุศลนะนวาตก็คุยกันทุกวันนะ่ะวาตระวังนะปุ๊ทุกคนระวังนะอยู่ในที่ตั้งขนาดระวังนะคืนนั้นโจนวาต้องจูงกลับไปบ้านนอนนะ่มันมืดนะ ไปเหยียบไอ้ลูกมะม่วงเนี่ยตีลังกาเลยหงายหลังทั้งเป็นเลยนะแต่ทีนี้กุศลที่เราสร้างก็ผ่อนหนักเป็นบ่าวเราหนีไม่พ้นขนาดระวังแค่ไหนเนี่ยเนี่เราหนีไอ้อกุศลเราหยุดมันไม่ได้แต่เราต้องสร้างกุศลเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปท้อถอยแฟบอย่างเงี้ยไม่ได้นะตื่นขึ้นทำมากขึ้นอันนี้พ่อครูให้ข้อคิดนะอย่าประมาทก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตร